การปฏิบัติจะไม่ลำบากเท่าไรเราเพิพูดใเจ้าลำบากมาก่อนเราท่านลองกิดลองถูกมานานเฉพาะที่ได้รับพยากรแล้วเนี่ยสียอสงไขยแสนมหากรับรวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มสร้างบารมีแล้วก็ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยยี่สิบอสงไขยนานมากท่านลองกิดลองถูกถ้าสีอานานกว่า น, นั้นนะรวมแล้วแปดสิบอสงไขแสนมหากับนาน ในรับพยากรสิบหกอสงภั ย, ยนี่ถ้าพวกเราศึกษาบทเรียนที่ท่านสอนไว้ให้ดีการปฏิบัติก็ยัง่ายบทเรียนที่ท่านสอนมีสามบทศีลสิกขาจิตศิกข า, า, กขาปัญญาศิกขาถ้าเราเรียนข้ามขั้นหลายคนชอบข้ามขั้นนะเรีนศีลก็นึกว่าง่ายๆแค่ขอศีลห้าจากพราก็เรียกว่ า, าศีลสิกขาแล้วมันไม่ตื้นอย่างนั้น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 พอจิตใจมีความไม่ปกติมากขึ้นมากขึ้นพอฟังธรรมะก็จะเริ่มเปรียบเทียบนะสำนักนี้ว่าอย่างนี้สำนักนั้นว่างั้นคิดไปเรื่อยๆมันไม่สามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้อย่างเปิดกว้างถ้าจิตใจเราไม่ค่อยปกติหล้วใจเราเต็มไปด้วยโลภะเด็กๆมันเรียนเพื่อจะรู้ของเราเรียนเพื่อจะได้ปฏิบัติเพื่อจะได้อันนี้เพื่อจะเอาอันนี้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 เมื่อใจเราคิดอันนี้เป็นการทำงานทางใจเมื่อใจมันคิดความยินดีร้ายเกิดที่จิตอีกและวนะก็ให้เรามีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงาถูกกิเลสครอบงานี่แหละเรียกว่าไม่ปกติละ่ะจิตที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีกิเลสครอบงำนี่เรียกว่าจิตปกติเหมือนท่านจะสอนว่าจิตปกติจิตธรรมดาเนี่ยมันประพัดสอนมันผ่องใส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 เป็นจิตที่ประกอบด้วยอะโลภะอโทสะอะโมหะไม่มีโลภะโทสะโมหะบทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขาต้องเรียนนะหลายคนไม่เรียนบทที่หนึ่งก็ไม่เรียนบทที่สองก็ไม่เรียนนะจะกําหนดรูปนามลูกเดียวสิ่งที่ทําขึ้นมาผิดพลาดแน่นอนใจหนักหนั ก, นกแน่นแข็งแข็ ง, ขงซึมซึ ม, ซมทื่อๆนะอาคุศนมันเกิดไม่ใช่สติปัญญากเกิดเลยนะยิ่งปฏิบัติยิ่งปฏิบัติยิ่งลําบากยิ่งไกลออกไปไกลออกไป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 จิตที่เป็นกุศลเนี่ยต้องมีอโลพาอะโทซาอโมหะอะโลพะอโทซาโมหะนี่เรียนมาแล้วนะจากตะกีน้นี้จากเรื่องศีลแลศีกขาจิตที่เป็นกุศลมีฮิริโอตับปะมีความละอายบาปมีความเกงรงกลัวต่อ บ, บาปจิตนะที่เป็นกุศลมีความเบาตัวนี้เริ่มสังเกตได้ง่ายนะถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติแล้วจิตหนักๆจิต ด, ดวงนั้นเป็นอกุศลแน่นอน จิตที่เป็นกุศลจะต้องเบาเรียกว่าลัหุตาจิต ท, ที่เป็นกุศลต้องอ่อนโยนต้องนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตาถ้าปฏิบัติแล้วจิตแข็งกระด้างแข็งอย่างนี้นะจิตแข็งกระด้างอย่างนี้อ ก, กุศลจิตแน่นอนจิต ท, ที่เป็นกุศลมีกรรมั ญ, ญาตาควรแก่การงานไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำถ้าลงมือปฏิบัติเขาอยากปฏิบัติแล้วก็ กิเลสนิวรณ์รอบงําเรียบร้อยแล้วงั้นแค่อยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะแค่อยากปฏิบัติก็เป็นอกุศลละจิตไม่ควรแก่การงานเลยขนาดนั้นเอาไปทําอะไรไม่ได้จริงหรอกมันเป็นอกุศลงั้นต้องสังเกตนะอย่างเราจะยกเท้ายั่งเท้าเนี่ยถ้าอยากปฏิบัติแล้วก็ผิดแน่นอนอยากจะรู้เท้าแล้วก็ผิดแน่นอนนะอยากจะรู้ลมหายใจอยากกาหนดลมหายใจผิดแน่นอน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 ดีไม่ดีตายไปเป็นเปลือตอนนั้นโดนท่านตะโกนมานะโอ้เขินเลยนะคนหันมามองทงั้งวัดเลยแต่ว่าดีใจเห็นกิเลสเพิ่มขึ้นอีกตัวแล้วเห็นความอยากจะปฏิบัติเฉั้นถ้าจิตมีความอยากมีกิเลสครอบงำอยู่เรียกว่าจิตไม่ควรแก่การงานเลยจิตดวงนั้นไม่ควรจะเอาไปทาอะไรที่ดีๆหรอกมันทาไม่ได้เฉั้นถ้าเราอยากปฏิบัติเราก็รู้ทันนะไรู้ทัน จิตที่เป็นกุศลเนี่ยนอกจากต้องเบาต้องนุ่มนวลอ่อนโยนนะต้องไม่มีกิเลสครอบงำไม่มีนิวรณครอบงำจิตที่เป็นกุศลมีความคล่องแคล่วถ้าเราปฏิบัติแล้วจิตของเราซมึซมซึมซึมเป็นวันวันซึมหลายหลายวันซึมหลายเดือนซึมเป็นปีอกุศลแน่นอนจิตที่ซมึมซึมเป็นอกุศลจิตเป็นลักษณะของอกุศลจิตจิตที่เป็นมหากุศลจิต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 ค่อยๆฟังนะนี่เป็นจิตที่เป็นกุศลกับกุศลนี่คู่หนึ่งละจิตที่ควรแก่การทําสมถะกับวิปัสสนา this ก็ต้องเรียนอยีกจิตที่จะทําวิปัสสนาเนี่ยนะมีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิมีสัมมาปัญญาสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาจิตที่ควรแก่สมถะเนี่ยมีสติมีส ต, สติแต่สติตัวนี้ส่วนมากเป็นสติเพ่งจ้อง สติกำนดนถ้าสติของวิปัสสนาเป็นสติระลึกได้สติในพระไตรปิฎกลองไปอ่านพระไตรปิฎกเราจะพบว่าสติท่านแปลว่าความระลึกได้พวกเรารุ่นหลังชอบแปลสติว่ากำหนดนะกำหนดกำหนดเอะก็จะกำหนดในพระไตรปิฎกแปลสติว่าความระลึกได้กำหนดกับระลึกได้ไม่เหมือนกันกำหนดเนี่ยเกิดจากโลภะ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 ทำให้เอาสติไปกำหนดรูปนามเป็นตัวสมุทยัยงั้นเราอยากปฏิบตัติลงมือกำหนดปุ๊บความทุกข์เกิดเกิดคือตัดขึ้นมาแน่นแน่นขึ้นมาเครียดเครียดขึ้นมาจิตที่เครียดเครีเป็นอกุศล น, นะบอกไปแล้วแล้วสติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติคือความระลึกได้พวกเราลุ้นหลังชอบกำหนดบางทีสอนมาต้องกำหนดด้วยนะกำหนดตลอดห้ามเผลอเลยห้ามเผลอ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 หน้าที่ของเราต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆรู้สภาวะหนึ่งๆถ้าเราหัดรู้สภาวะในที่สุดสติจะเกิดเองการหัดรู้สภาวะของกายหนึ่งๆเรียก ว, ว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานหัดรู้สภาวะของเวทนาหนึ่งๆเรียววกเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานหัดรู้สภาวะของจิตหนึ่งเรียก ว, ว่าจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นหัดรู้สภาวะ การหัดรู้สภาวะจะเริ่มจากกายก่อนหรือเริ่มจากจิตก่อนก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนคนไหนเป็นพวกคิดมากหัดรู้สภาวะของจิตไปคนไหนเป็นพวกโลภมากหัดรู้สภาวะของกายไปหัดรู้ไปเรื่อยๆคุณแถวที่ห้านี่เป็นยังไงภาวนาเป็นงไงฝึกมาจากไหนเพ่งเก่งนี่ <c oughs> เออ เหลอทำไมเพ่งเก่งนะักอะไรนะอ๋อยาาอย่าวางอย่างนั้นนะไม่ไม่ฝึกอย่างนั้นหรอกอย่าไปจงใจทําอย่างนั้นนะไม่ดีรู้สึกไหมมันคล้ายๆเราจะเริ่มเรื่อๆไปเรื่อยๆจะลืนเลือนๆไปเอออย่าไปกลัวมัน อย่าไปเพ่งอย่างนั้นอย่าไปเพ่งอย่างนั้นพยายามรู้สึกตัวไว้ตอย่าเข้าไปนะต้องแก้คนนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถึงเทศต่อเมื่อกี้ถึงไหนละเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอย่าเข้าไปนะจำตรงนี้ได้ไ้ยตรงที่ไหลเข้าไปตรงเนี้ยเออ เวลาหลวงพ่อเทศนะหลวงพ่อเทศจิตใครมากระทบแนละ้วก็เทศอย่างนั้นแหะเทศตามไปอย่างนั้นแหละเพราะหลวงพ่อจริงๆไม่ได้เทศอะไรเท่าไหร่หรอกบางทีจิตของคนเปลี่ยนปั๊บๆทำมาเปลี่ยนไปหมดเลยคือเทศตามคนฟังไม่ได้เทศตามผัที่เตรียมเอาไว้เริ่มเข้าไปอีกแล้วอย่าเข้าไปนะ หายใจรู้สึกตัวไว้หายใจชัดชัดๆให้ให้รู้สึกตัวชัดๆไว้เนพะะนั้นหน้าที่ของเรานะหัดรู้สภาวะไปหัดรู้สภาวะเคยทำกรรมฐานอะไรทำกรรมฐานอย่างเก่าได้นะยกตัวอย่างคนไหนเคยดูท้องของยุบนะดูไปดูท้องฟองยุบไปแต่ว่าไม่ใช่ดูเพื่อเพ่งหลายคนดูท้องฟองยุบไปเพ่งอยู่ที่ท้องให้ใจนิ่งๆทื่อๆไวนะ้ความจริงดูท้องของยุบนะ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 รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใจไปเกาะลมหายใจนี่สมถะนะหรือขยับมือสายลมพ่อเทียนขยับมือใจไปเกาะ อ, อยู่ที่มือนี่สมถะนะเอาใจไปจ่อไว้ในอารมณ์มันเดียวเรียกว่าเพ่งตัวอารมณ์เรียกอารามานูปนิชฌานนะเป็นตัวสมถะนี่อย่างที่สองส่วนใหญ่ที่พวกเราทําจะเป็นตัวที่สองนี้งั้นกําหนดไปเรื่อยนะั้นตัวนี้ต้องกําหนดกําหนดอยู่ที่ท้องกําหนดที่เ ท, ท, ท้ากําหนดที่ลมนะได้สมถะ ใจบางทีเกิดปิติเกิดผลลุกผลพองเกิดผงะซ้ายผงะขวาเกิดตัวโครงเกิด ต, ตัวเบาตัวหนักตัวเล็กตัวใหญ่เกิดผลลุกสู้ซ้าเกิดรู้สึกเหมือนมแมลงอะไรมาใส่อันนี้เป็นผลของสมถะทั้งสิ้นเลยเป็นอาการของปีติทั้งหลายบูบูบาบๆทั้งหลายไม่ใช่วิปัสนาญาณ น, นะอย่าไปเข้าใจว่าเป็นวิปัสนาเนี่ยตราบใดที่ยังกาหนดอยู่ตราบนั้นยังไม่เป็นวิปัสนาจริงหรอก มิพัสนาเนี้สติมันไประ ล, ลึกได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธนะิแล้วก็เห็นสภาวะธรมตรงความเป็นจริงด้วยปัญญานี่ถึงจะเป็นมิปัสสนานนี้อย่างที่สองคือเราเอาไปเพ่งไว้อย่างที่สามสมมติเราดูท้องพองยุบหรือเราหายใจหรือเราขยับมือนะทําไปทําไปนะเราก็ดูไปนะเราจะเห็นในร่างกายที่พองที่ยุบร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดู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 นะดูท้องพองยุบไปก็ได้หายใจก็ได้ขยับมือก็ได้แล้วดูสภาวะของจิตนะเช่นพองยุบสภาพจิตนี้ไปคิดดูพองยุบสภาพัจิตไปเพ่งเพ่งเทา้านะเพ่งท้องอะไรเนี่ยเพ่งลมหายใจนะให้รู้ฐานว่าจิตไปเพ่งนะดูไปดูไปจิตมีความสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลอกุศลก็รู้นะทากรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะหัดรู้สภาวะของจิต อย่างนี้ต่อไปจิตก็จะจาสภาวะของจิตได้เยอะแยะพอสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะสติเกิดเองเลยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอันนี้เป็นมิธีทำให้เกิดสตินะคือหัดจาสภาวะให้ได้เพราะฉะนั้นใครเคยทำกรรมฐานอะไรทากรรมฐานานั้นต่อไปแล้วก็จาสภาวะจะได้รู้จกสภาวะเช่นดูพองยุบไปใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้เป็นกุศลอกุศลก็รู้